ตอนที่หนึ่งส็แข็งแกร่งเนื้อแข็งแกร่งหลังจากวางสายหยวนรองและภรรยา ย, ยังคงมีท่าทีเคลือบแคลงสงสัยเด็กสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งจะมีหน้ามีตาขนาดนั้นเชียวหรือถึงขนาดที่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการแพทย์แผนจีนจะยอมมาหาเพียงแค่เธอเรียกหาแบบนี้มันดูไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยพวกเรากินข้าวกันก่อนเถอะเดี๋ยวกับข้าจะเย็นเสียหมดทันผู้เทาหยวนเ อ, อ่อชวนให้ทุกคนลงมือทานต่อพอดีกับที่พวกเขาทานเสร็จศาสตราจารย์เจียงก็เดินทางมาถึงพอดีอาจารย์คะ หลี่หวันรีบก้าวเข้าไปหาพร้อมรอยยิ้มสดใสสวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์วันปีใหม่แท้แท้ยังต้องลำบากอาจารย์ให้มาหาถึงที่นี่เหนื่อยแย่เลยนะคะเธอนี่นะศา ส, สตราจารย์เจียงมองหลี่หวันด้วยความเอ็นดูก่อนจะหันไปมองผู้อาวุโสทั้งสองขอ ง, ของตระกูลหยวนพวกท่านสองคนต้องการตรวจร่างกายใช่ไหมอย่าเสียเวลาเลยมานั่งตรงนี้เถอะศาสตราจารย์เจียงวันนี้ต้องรบกวนท่านแล้วจริงๆเป็นเพระบารมีของหลานสาวผมแท้แท้ ท่านผู้เฒ่าหยวนเอ่ยอย่างเบิกบานใจพร้อมกับจัดลำดับให้หลีวันเป็นหลานสาวของตนไปในตัวท่านช่วยดูหน่อยว่าร่างกายของข้าเป็นอย่างไรบ้างจําเป็นต้องทานยาบำรุงอะไรไหมลูกศิษย์ของผมคนนี้มีความสามารถให้เธอตรวจให้พวกท่านก็เหมือนกันนั่นแหละหลังจากตรวจชีพจรเสร็จคาพูดของศาสตราจารย์เจียงก็แทบไม่ต่างจากที่หลีวันเคยบอกไว ทางที่ดีควรทานยาสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายสักหน่อยเทียบยาที่เขียนให้ก็ไม่มีปัญหาอะไรวันหลังไปหาซื้อตามร้านขายยาทั่วไปได้เลยแต่ตอนต้มยาต้องระวังอย่าให้ไม่เหลวเวลาในการต้มยานั้นสําคัญมากค่ะคุมได้ไม่ดีอาจทําให้สรรพคุณยาเปลี่ยนไปได้เมื่อศาสตราจารย์เจียงพูดจบเขาก็ส่งสายตาเป็นสัญญาณให้หลีวนันอย่าลืมสิ่งที่เธอพูดไว้เมื่อครูอ้อได้ครับศา ส, สตราจารย์เจียงผมจะปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด ธนูเทาหยวนและฮูหยินเ่าหยวนพยักหน้าหนักหนักวันปีใหม่เช่นนี้ย่อมไม่อาจปล่อยให้ศาสตราจารย์เจียงมาเสียเที่ยวพวกเขาจึงมอบอ่งเปาซองหนาะให้ซึ่งศาสตราจารย์เจียงก็ส่งต่อให้หลี่วันทันทีให้เธอนะอ่งเปาวันปีใหม่พูจบศาสตราจารย์เจียงก็เตรียมตัวกลับโดยมีหลี่วันเดินไปส่งที่ประตูคนอื่นๆตั้งท่าจะเดินไปส่งด้วยแต่ศาสตราจารย์เจียงโบกมือห้ามไว้เสียวหวานเรื่องโบหิมาร้อยปีที่เธอพูดในโทรศัพท์เป็นเรื่องจริงเหรอหรือว่าพ่อของเธอมีวิธีหามาให้ฉันได้ ในช่วงที่ผ่านมาศาสตราจารย์เจียงต้องการใช้โบหิมาร้อยปีเป็นส่วนผสมในยาตัตวหนึ่งแต่พวกที่เพาะเลี้ยงเองสรรพคุณยังไม่ถึงขั้นเขาจึงคิดจะใช้เส้นสายตาหาโบหิมาร้อปีทว่าราคาของมันไม่ใช่ถูกๆยิ่งแบบที่ขึ้นเองตามธรรมชาติยิ่งหาได้ยากยิ่งนักเขาคิดว่าพ่อของหลี่หวานเป็นรองผู้บัญชาการกรมทหารบางทีอาจจะมีเส้นสายในด้านนี้บ้างในเมื่อหลี่หวานพูดออกไปแล้วเธอย่อมต้องมีวิธีแน่นอน อาจารย์ครับพรุ่งนี้ตอนที่หนูไปสวัสดีปีใหม่ที่บ้านอาจารย์หนูรับรองว่าจะเอาบูฮิมาร้อยปีไปมอบให้ถึงมือเลยค่ะได้ศาสตราจารย์เจียงตอบตกลงทันทีเมื่อขึ้นไปนั่งบนรถเขายังไม่ยอมให้พลขับออกรถแต่หันมากระซิบกับหลี่หวานว่าวันนี้เธออุตส่าห์เรียกฉันมาตั้งไกลคงไม่ใช่ว่าอยากให้ฉันมาช่วยกู้หน้าให้หรอกนะใช่คะ่ะหลี่หวานไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้การเรียกเขามาก็เพื่อกู้หน้าจริงๆนั่นแหละเธอย้ำยิ้มแต่แน่นอนว่าบารมีของอาจารย์นั้นยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ เธอนีเห็นฉันเป็นเครื่องมือจริงๆศาสตราจารย์เจียงสายหน้าอย่างอ่อนใจเด็กคนนี้นี่นะนอกจากเธอแล้วก็ไม่มีใครกล้าทําเรื่องแบบนี้กับฉันหรอกนี่หนูไม่ได้ขอบคุณที่อาจารย์มาช่วยวันนี้หรอกเหรอคะในบ้านนั้นมีแต่พวกที่ชอบดูถูกคนหนูทําแบบนี้ก็เพื่อให้พี่ชายของหนูใช้ชีวิตในตระกูลหยวนได้ง่ายขึ้นในวันหน้าคะหลี่วานเอ๋ยอธิบายให้ศาสตราจารย์เจียงฟังเอาละเรื่องในครอบครัวเธอฉันไม่ยุ่งด้วยแล้วฉันรีบปรับไปกินเกี้ยวดีกว่ารีบเข้าบ้านไปเถอะเดี๋ยวจะหนาวเอาข้าข้าทราบแล้วคะ่ะ หลิหวันเดินกลับเข้าบ้านภายใต้สายตาของศาสตราจารย์เจียงภาพการโต้อตอบของสิทธิอาจารย์คู่นี้ถูกคนในบ้านมองเห็นอย่างชัดเจนเขาก็เรียกคนมาได้จริงๆแล้วพวกเจ้าสองคนผัวเมียยังมีอะไรจะพูดอีกไหมยวนเฟยปลายตามองสองสามีภรรยาหยวนรองที่ตอนนี้นิ่งเงียบไปแล้วก่อนจะแค่นเสียงเย็นวันปีใหม่แท้ๆกลับต้องเชิญศาสตราจารย์เจียงมาแบบนี้มันไม่ดูเป็นการเสียมารยาทต่อครอบครัวเราไปหน่อยหรือนั่นสิท่านผู้เฒ่าหยวนถลึงตาใสาทั้งคู่ พวกงงเน่าที่ทำเรื่องดีๆไม่เป็นแต่เก่งเรื่องคำลายถ้าพวกเจ้าเอาเวลาไปใส่ใจสั่งสอนลูกๆให้ดีข้าก็คงเบาใจไปได้มากกว่านี้พวกเจ้าสองคนรีบกลับห้องไปสํานึกตนเสียท่านพ่อท่านทำไมถึงเป็นพวกไม้หลักปักเลนแบบนี้หยวนรองพูดไม่ทันจบก็ถูกท่านผู้เทาหยวนถลึงตาใส่อีกครั้งจนเขาต้องกลืนคําพูดลงคอไปสุดท้ายเขาก็จําต้องเดินขึ้นข้างบนไปหากยังถืนอยู่ข้างล่างต่อไปก็คงมีแต่จะโดนดาเพิ่มเสียววันต่อไปเรื่องตรวจร่างกายของคนแกสองคนนี้คงต้องรบกวนหนูแล้วล่ะ ท่านผู้เฒ่าหยวนมองหลีหวานที่เดินเข้ามาในบ้านด้วยสายตา ย, ยิ้มแย้มนึกไม่ถึงเลยว่าเด็กคนนี้จะมีความสามารถขนาดนี้บ้านตระกูลเจิงนี่สอนลูกหลานเก่งจริงๆเรื่องนี้พวกเราคงต้องเรียนรู้จากปู่ย่าของหนูบ้างแล้วเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคลค่ะหลีหวานเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยการเรียนของพี่ชายหนูไม่เคยต้องให้ใครมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยตอนนี้เขาก็เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศเรื่องการเรียนย่อมต้องขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้อนของตัวเองค่ะเจิงเซาซิงและเจิงเซียวหยาง ทั้งสองคนเริ่มตามสถานการณ์ไม่ทันเมื่อครู่ตอนที่มาถึงยังดูไม่เป็นที่ต้อนรับอยู่เลยแต่ตอนนี้สถานการณ์กลับพลิกผันไปอย่างสิ้นเชิงฮือฮือใช่เซ้าเหินของบ้านเราฉลาดจริงๆสมแล้วที่เป็นหลานชายคนโตของตระกูลหยวนแบบนี้สิข่าถึงจะวางใจมอบกิจการครอบครัวทั้งหมดให้เขาดูแลในอนาคตท่านผู้เฒ่าหยวนพยักหน้ายอย่างพอใจเอาละพวกเจ้าเด็กๆ เ, เล่นกันอยู่ข้างล่างต่อเถอะพวกข้าจะขึ้นไปพักผ่อนแล้วแกแล้วเรี่ยวแรงไม่เยอะเหมือนพวกเจ้าครับค่ะ หยวนเฟยและภรรยาเกรงว่าหากอยู่ข้างล่างต่อจะทําให้เด็กๆรู้สึกอึดอัดจึงเดินตามขึ้นไปข้างบนด้วยเมื่อเดินถึงบันไดชั้นสองท่านผู้เทวยหยวนก็เรียกหยวนเฟยและภรรยาเข้าไปในห้องเพื่อคุยธุระท่านพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับแน่นอนว่ามีเรื่องจะคุยกับพวกเจ้าท่านผู้เท่าหยวนกระแอมไอและทําสีหน้าจรงิงจังหลานสาวตระกูลเจิ้งคนนี้ไม่ธรรมดาเลยต่อไปพวกเจ้าต้องปฏิบตัติต่อนางให้ดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้หยวนเฟยสบตา ก, กับภรรยา ต่อให้เห็นแกันหน้าเศร้าเหิงพวกเราก็ต้องดีกับเสี่ยววันน้อยอยู่แล้วครับอายุยังน้อยแต่มีความสามารถขนาดนี้โตไปตำแหน่งในวงการแพทย์แผนจีนคงไม่ได้ไปกว่ า, าศาสตราจารย์เจียงแน่ๆท่านผู้เท่าหยวนเอ่ยเด็กสาวคนนี้ดีจริงๆถ้าเป็นหลานสาวบ้านเราก็คงดีเหอเต่อให้เจ้าใหญ่เจ้ารองจะขยนันมีลูกเจ้าจะรับประกันได้เชียวหรือว่าหลานสาวที่เกิดมาจะยอดเยี่ยมเหมือนหลีหวานผู้หญิงเท่าหยวนเบะปากหัาฝันกลางวันของท่านผู้เท่าหยวนตอนนี้ข้าว่ามีวิธีที่ดียิ่งกว่านั้นอีกนะ ท่านผู้เฒ่าหยวนสงสยัยวิธีอะไรเจ้าคิดว่านางกับเส้าเหิงเป็นอย่างไรละ่ะทั้งคู่ต่างก็หัวดีและฉลาดขนาดนี้ข้าจินตนาการไม่ออกเลยว่าลูกที่เกิดมาในอนาคตจะฉลาดล้ำเลิศขนาดไหนหูหญินเฒ่าหยวนยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาท่าตอนนี้ข้าเริ่มรู้สึกแล้วว่ายินที่ดีเท่านั้นถึงจะให้กำเนิดลูกหลานที่ดีได้เจ้าดูอย่างเจ้าใหญ่กับเมียสิทั้งคู่ให้กำเนิดเส้าเหิงที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ส่วนเจ้ารองกับเมียไม่ได้เรื่องทั้งคู่ลูกที่เกิดมาสามคนถึงได้แย่ลงเรื่อยๆววววัััันนนเเเออาาาาแแตต่่่สรรรร้้้งปญหใหใคคบไมละ ผูหยินเท่าหยวนบนอุกเสี่ยวหวานสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นจ่วงหยวนของเมืองตอนนี้ยังได้รับความสำคัญจากปรมาจารย์ในวงการแพทย์แผนจีนอีกทั้งทั้งสองคนมีลูกด้วยกันเจ้าลองคิดดูสิ